ขอเชิญทุกท่านถวายความนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยกัรกล่าวนามัสสะพร้อมคมสามครั้งนามัสสะพระกวะโตอาระหะโตสมมาสัมปุ Dasa, namo t a s a Bhagavato Arahato, Samma Sambo dasa, namo t a s a พกวัโตอระหโตสัมมาสัมปุตตัสสังโฆทความเข้ารู้พระทีระสอดีเพื่อนสหธรรมิกและขคจรินพนยัดยยมสาธุชนทุกท่านขอโอกาสพระทีระ กล่าวธรรมเทศนาเรื่องเพื่อบุคคลที่อยากจะเห็นพระพุทธเจ้าต่อไปนี้อาตมาจะสวดพระคาถาเพื่อถวายบูชาอย่างยิ่งเดชองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุดโบดายาเด็ดเต็ดดันโยเดมทายสา ตั้งแต่ทายาทโตตั้งแต่ที่นวัดเรนนายาส์นิบุตรนิบานะทายาทโลกาตรานันมีโลกาตร์โนโลกาตุงบายโกซาญาตสุพเชตมุโนโยนะโกบุตนะกามิโรยดิอาศินเจมสวาพิ กู่ดที่สาลินกุรอรันทูเทนทิ่เหมือนดอกไม้พี่เว๋ยพอได้ยาสาจะท่ายตาดูโบโบลูรก็ตูเทนที่จาบ้าใจฉันชงาลกาถันดอกกุรอห์กับหยิงชีโร่ไมิพี่เวย ทำไมทายาสจูทายตาดูโบโบลูรอกกุมเงินเงินจี้จ้าสิงอาล่กาต่ถ้าคนกาบิกี่ลตาอูปูขัดใจยินดม่พีพื่อนทำไมทายาสจูทายตาดูโบโบลูรอกกุมเงินกี่ลตาปูยินจ้บาสิงอาล่ก ที่นวัดตั้งแต่ยานเอวังก็เร่งจังโก้กูแต่ถูกชาวกูรรดอยากปิดพื้นด้านลย์เรน่ายาสักกูรรดทัดตูชุดทายตูรูในบุตรวันมาเวกันดูกูแต่ถูกชาวยาจับวันจีจีจูอ่ะเล่าในบุตรกี่ลตปรีในบ้านเวนสันยุต กูรอได้ยินหนูมุบพี่เว้ยเนี่ยบ้านทายาสกูรอทัดด้วยเนื้อหลุดบุกคดีเนี่ยจับใจฉันจูอ่ะล่ะกูเข้ามาในสิ่งที่น่าดามากกูที่ได้ดีกรุณาสืาเมตถิโฮจารูมุข์อาเบอี โลกัตเรนโลกัตุมาอโกะายาทสุพเชตอมุดอจันาเกบุตานา伽วิโรยดิอาศินเดียทุตทุมยาสวาภโกนิมินามิโกนุนลอนตงจงพียงพียงังโกชอยกัตอมยนเลสุโมยชิกุญญาปิ Mya Swapya, Mya Swapya. After listening yesterday, Dhamma talk, some they said, "Oh, very much too difficult." Is it true? เมื่อวานนี้หลังจากที่พระอาจารย์เรวตาได้แสดงพระธรรมเทศนาแล้วผู้ปฏิบัติธรรมบางท่านก็ได้กล่าวว่ามันมากจังเลยค่ะแล้วก็ยากมากด้วยแล้วพระอาจารย์เรวตาได้ถามท่านในขณะนี้ว่าท่านเห็นด้วยหรือเปล่าค่ะเห็นด้วย Do you think it is too much? No. Actually, if we can develop concentration, as the Buddha said, the one who is concentrated will know and see things as they really are. By the way, if ผู้ใดสามารถที่จะเจริญสมาธิดังที่พระบรมศาสดาได้ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเจริญสมาธิภิกษุผู้มีจิตตั้งมั่นแล้วย่อมรู้ตามความเป็นจริง Yes it is true that the d h a m m a that penetrated by the Buddha it is deep and profound เพราะว่าเป็นความจริงว่าพระธรรมที่พระปรมศาสดาได้ตรัสรู้แจ้งแทงตลอดนั้นลึกซึ้งมากแล้วก็ทั้งลึกมากและลึกซึ้งมากค่ะ but what we are now explaining is directly how to practice สิ่งแต่ว่าสิ่งที่เราสิ่งที่พระอาจารย์ได้ กำลังอธิบายนี้เป็นวิธีทางวิธีการที่จะปฏิบัติเพื่อให้ตามตามที่พระบรมศาสดาได้ตรัสสอนเมื่อคืนสิ่งที่อาตมาได้อธิบายไปแล้วนั้น วิธีการที่ปฏิบัติอย่างไรจะบรรลุพระนิพพานโดยตรงไม่ต้องวิ่งไปวิ่งมาที่นั่นที่นี่นแล้วใช่ไห ม, ใ, มในประเทศพมะมีพระทีระหลายๆรูปที่สามารถศึกษาปริยัต ได้อย่างดีแต่ว่าไม่เข้าใจจะทำปฏิปฏิบัติอย่างไรเพื่อจะบรรลุพระนิพพานได้อย่างโดยตรงแต่อาจารย์ของผมอาจารย์ของอาตมาอาจารย์ใหญ่พรอออ ะ, ะ, ะอักโตยะเสยารเขาศึกษาปริยัตมาอย่างลึกซึ้งเขารู้ดีมาก แต่เวลาเขาเข้าป่าเพื่อเพื่อจะปฏิบัติเขาก็ไม่รู้จะทำยังไงเขาก็ไปเรียนจากครูบาอาจารย์หลายๆโองค์ที่มีชื่อดางมากเวลานั้นแต่ไปเรียนแล้วเขาก็ได้รู้ว่าไม่ใช่ตามพระคำพระไม่ใช่ตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า เขาก็ไม่พอใจในที่สุดเขาก็เลิกทั้งหมดเลยแล้วก็เข้าปาแล้วก็อ่านหนังสือทั้งหมดเลยปาลีอัทกัาทีกาเขาเขาล่าเขาเขาเคยศึกษาเรียนเล็กศึกษาบาลีมาเป็นหลายๆหลายๆปีตั้งแต่เขาเป็นด็กๆแล้วก็เขาเข้าปา เวลาเขาได้พรรษาิีก็หลายปีมาแล้วเ่เขาไม่ไม่รู้จะทำยังไงเพื่อจะบรรลุนิพพานแล่ที่สุดเขาก็ตัดสินใจจะศึกษาดยเองอ่านหนังสือทั้งหมดประมาณห้าปีแล้วก็ได้รู้ว่าวิสุริมักเป็นลักทานที เนตใจเพื่อจะบตั้งหรือนิพพานพระนิพพานก็เลยเขาก็สอนเขาก็ปฏิบัติตามเขาไม่สอนเ ข, เขาตั้งใจเพื่อจะทำเพื่อตัวเองแต่ก็ในที่สุดโยมและพระทั้งหลายที่สนใจเขาก็ขอขอถามขอช่วยจะว่ายังไ ง, อ ง, งเออ ก็ช่วยสอนตามที่พระอาจารย์ใหญ่กำลังปฏิบัติอยู่เขาก็เริ่มสอนอันนั้นก็เลยเราไม่ต้องใช้เวลาเพื่อจะรู้ว่าจะทำยังไงเราสามารถรู้แจ้งเห็นแจ้งรู้ประมัดนำประมัดให้ปัจจัยต่างๆแเลยเพื่อจะเข้าใจและจะบรรลุพระนิพพานได้โดยตรงเดี๋ยวนี้ได้รู้แล้ว แต่ว่าต้องพยายามปฏิบัติแค่นี้เองไม่ต้องเอวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปที่นี่ที่นั่นแล้วไม่ไง่ายเลยง่ายแล้วอัจมาเมื่อวานนั้นเรามืวันนี้เห ม, มือนกันสันเวกเกิดสันสันเวกเกิในใจ เพราะว่าบางคนบอกวันนี้ก็บอกมากไม่มากแลก้วไม่มากแลก้วจริงๆแล้วถ้าปริบปริบเทียบกับเราก็กันศึกษามาตั้งแต่เราเป็นเด็กขั้นตอนที่หนึ่งปฐมขั้นปฐมหนังสือที่เราศึกษาและท่อง ต้องมาอันไหนมากกว่าอันนั้นมากกว่าเดี๋ยวนี้ได้รู้แล้วจะไปจะทำอย่างไรแต่ว่าต้องมีต้องมีจิตที่ตั้งมัน่นต้องมีเจตนาที่จะทำเพื่อประโยชน์ของตัวเองแล้วก็ต้องจงลงทำ ลงมือทำลงมือทำถ้าไม่มีความปรานาแกเตตัวเองอาตมาจะช่วยได้อย่างไรมามาเชเชแบ่งแบ่งหรือจะว่าอย่างไรเชดดามมามาแบ่งปันธรรมะค่ะมาแบ่ง แบ่งปันธรรมะมาแบ่งปันธรรมะ อ, อย่างที่อย่างแท้จริงแล้วถ้าไม่มีความปรารถนาดีเพื่อจะเพื่อจะดีเพื่อจะดูเ พ, ะดเพื่อประโยชน์ของตัวเองถ้าไม่มีความปรารถนาดีดอาตมาช่วยไม่ได้ <laughs> ใช่ไหมก็ลต้องพยายามทำไปอย่าคิดเลยว่ายากแต่สามเอฟถ้า สามะเจริญสามารีได้แล้วก็ทำต่อไปเรื่อยๆอบไหนที่สุดก็ได้อย่างที่เราการศึกษามาขันข้นคำตอบเวลานั้นเราก็อยากเป็นมัทยิวคิดไปคิดมาเป็นไปได้รือเปล่าแต่ไหนที่สุดกาเราก็เป็น แล้วก็มองเห็นมองไปคนที่เข้ามาวิทยาลายัยแล้วก็อยากเป็นในที่สุดเราก็เป็นไม่ใช่เลย ไ, ไม่ต้องคิดที่สิ่งที่ยังทำไม่ได้ทำแต่สิ่งที่ต้องทำเดี๋ยวนี้อยู่ในปัจจุบันไม่ไม่ต้องคิดอยู่ข้องกับสิ่งที่เรายังไม่สามารถทำใช่ไหม Today I will explain how to practice meditation as vipassana j a n i k a d o i t r o n g <laughs> vipassana i Before explaining about it. As I have told all of you, Buddha taught 40 t y p e s of samatha meditation. So, if we want to be samatha y a n i k a we need to develop concentration based on a n a b a n a sati or any kinds of meditation object which can be attained up to absorption concentration. But before we t a l about m e i p a t i o n สำหรับท่านที่เป็นวิปัสสนาญาณนี้พระบรมศาสดาได้ตรัสสอนกรรมฐาน40อย่างซึ่งท่านก็อาจจะเริ่มเจริญอย่างเช่นอนาปานสติหรือว่าอารมณ์กรรมฐานอื่นๆเพื่อที่จะได้บรรลุอัปปนาค่ะ After that he or she needs to practice four elements meditation If he wants to start vipassana at that time. a f t ้ r that, tathen, the p r a c t i t i o ท e r if if perhaps tathen, he wants to change to practice v i ิ a s s a n a he will have to start practicing v i p a s s นาจากร m ปก e รมฐานค่ะ Let me ask you one question. Are you now sure? พระอาจารย์ขอตั้งคาถามแก่ท่านทั้งหลายว่าท่านทั้งหลายแน่ใจหรือเปล่าว่าพระบรมศาสดาได้ตรัสสอนรูปกรรมฐานและนามกรรมฐานเป็นอารมณ์ของวิปัสสนา The knowledge that you need to be with this is the right knowledge that you should be with. Based on it, you need to practice meditation. This is the right knowledge that you h b w h a s e d on it, what you need to e e d t o นี่เป็นความรู้ที่ถูกต้องซึ่งจะเป็นรากฐานของการปฏิบัติวิปัสสนาค่ะถ้าเผื่อว่าท่านไม่ได้ปฏิบัติท่านไม่ได้ปฏิบัติ ตามวิธีนี้ท่านไม่สามารถที่จะปฏิบัติวิธีที่ถูกต้องได้ค่ะ because of this reason, if you want to be s a m a t h yanika, you need to develop jhana concentration first, and then you can continue nama meditation or r u b a meditation. หากว่าท่านเป็นสมถะญาณิกท่านสามารถที่จะ เมื่อท่านจะต่อไปยังวิปัสสนาท่านสามารถที่จะเลือกอารมณ์ของวิปัสสนาโดยอาจจะเริ่มจากนามากรรมฐานก่อนหรือว่ารูปกรรมฐานก่อนก็ได้ค่ะสําหรับท่านที่เป็นสมถะญาณิก but in our center we taught meditators those who can attain who could attain absorption จ a n a concentration we taught all almost all the other samatha meditation there t h e r there are some reasons สำหรับที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติพระอ้าวต่อยเรามีเหตุผลที่จะสอนผู้ปฏิบัติธรรมที่ได้บรรลุอนาปานสติเรียบร้อยแล้วให้เจริญสมถกรรมฐาน อื่นๆจนเกือบจะครบ40กรรมฐานเพราะว่าพระอาจารย์มีเหตุผลค่ะ One reason is as you all know our human mind very difficult doesn't want to be with one object for a long time because of this reason even though jhana has the same quality the same attainment we change the object Because of this reason, they are very interested to continue their concentration, changing the object. เพราะว่าเหตุผลประการหนึ่งก็คือจิตเป็นเพราะจิตของมนุษย์ที่ไม่ชอบอารมณ์เดียวนานๆดังนั้นดังนั้นพระอาจารย์จึงได้แนะนําให้เขาได้เปลี่ยนอารมณ์ของสมถกรรมฐานถึงแม้ว่าคุณภาพอย่างเช่นอัปนา จะมีคุณภาพที่ไม่แตกต่างกันแต่ว่าพอเขาได้เปลี่ยนอารมณ์กรรมฐานแล้วมันทำให้เขารู้สึกว่าน่าสนใจมากขึ้นนะคะและอีกอีกหนึ่งเหตุผลก็คือการที่เขาได้เจริญสมถะกรรมฐานอื่นๆอีกหลายๆกรรมฐานเป็นทำให้เขาทำให้เกิดผลก็คือสมาธิของเขา ขังกล้ามากิน Another more important reason. Along the rounds of r e b i r t h we don't know who has practiced, who had practiced which meditation object. So if we know only how to teach Anampana meditation, we cannot help for the good of all of you. So if we know all the 40 types of meditation object to teach, It is very และเหตุผลอีกประการหนึ่งซึ่งเป็นเหตุผลที่สำคัญมากกว่าก็คือตลอดตลอดการเวียนในการเวียนว่ายตายเกิดมาเนี่ยไม่ไม่ทราบว่าเพราะว่าแต่ละท่านอาจจะสร้างสมบารมีในในกรรมฐานที่แตกต่างกันมาดังนั้นถ้าถ้าทางศูนย์พระอออ สามารถสอนได้แต่เพียงอนาปานสติอย่างเดียวก็ย่อมจะไม่เป็นประโยชน์แก่บางท่านดังนั้นเราจึงได้สอนสมถกรรมฐานอื่นๆหลายๆหลายๆอย่างเกือบเกือบครบสี่สิบกรรมฐานซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่มีบารมีในสมถะกรรมฐานที่หลากหลายแตกต่างกันค่ะ Those who are going to teacher Those who are going to teachers who who should going going are be are be learn a และสําหรับเหตุผลอีกประการหนึ่งก็คือสําหรับผู้ที่ปรารถนาที่จะเป็นพระกรมฐานาจาริยะก็ควรที่จะได้ศึกษาสมถกรรมฐานทั้งหมดนะคะ It is also another reason if your concentration is deeper and stronger it will be for the realization of the dhamma deeper and stronger และเหตุผลอีกประการหนึ่งก็คือ ถ้าเผื่อว่าท่านได้เจริญสมาธิหลายๆหลายๆสมถะกรรมฐานจะทําซึ่งก็จะส่งผลให้สมาธิของท่านมีความลึกซึ้งมากขึ้นและแก่กล้ามากขึ้นซึ่งการที่สมาธิมีกําลังลึกซึ้งและแก่กล้ามากขึ้นก็จะเป็นผลดีในการที่จะที่จะช่วยให้ท่านได้เห็นพระธรรมตามความเป็นจริง If you study the teachings of you study Buddha the the In time of the Buddha, if it is possible, Buddha taught his disciples until the attainment of the Abhina. Only after that he taught Vipassana, because that concentration is very deep. That's why, for the realization of n i b b a n a it is very supportive. And in the time of the b u d d h he would have k n o w that the Buddha had taught many d i s p l e ไม่ใช่เฉพาะสมถะแค่สมาบัติแเท่านั้นแต่ว่าได้สอนไปจนถึงอภินยาก็คือสมาบัติแดโดยอาการ14ซึ่งซึ่งเป็นสมาธิที่ลึกซึ้งและมีพลังมากและเป็นประโยชน์เพื่อการที่จะได้เห็นแจ้งพระนิพพานค่ะ And what I want you all to reflect: to be an educated person, how many years did we spend? And the teacher has <laughs> asked you, so that you can remind yourself า h a t in o า d e r to complete your education, y า u have spent how many years? ชั้นประถมจนจบมหาวิทยาลัยท่านใช้เวลาในการศึกษาทั้งหมดกี่ปีคะ over 20 years mm. yeah in some country 15 years in some country over 20 years the worldly education the dharma that penetrated by the Buddha which is more profound และเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วการศึกษาในทางโลกกับการศึกษาพระธรรมที่ตรัดสอนโดยพระบรมศาสดาอย่างไหนที่ลึกซึ้งกว่ากันค่ะพร ะ, พระบรวมสาสดา but have you ever think to spend as you have spend for your worldly e d u c a t i o n ให้มาแขมเพล have you ever think have you ever thought to hmm? spend as you spend for the worldly education ท่านท่านได้เคยคิดบ้างหรือเปล่าว่าท่านใช้เวลากี่ปีในการในการศึกษาทางโลกอะคะท่านได้เคยคิดบ้างหรือเปล่าคะมันใช่โยมทั้ทงหลายและพระภิกษุทั้งหลายเคยคิดหรืเปล่าว่า เราจะใช้เวลาอย่างที่เราใช้ในการศึกษาทางโลกทางโลกเคยได้คิดเคยเคยคิดไหมไม่เคย even for one year แ <laughs> ค่หนึ่งปีก็คิดว่ามาก <laughs> ใช่ไหมสามารถบงหลุดได้อย่างไรสามารถเข้าใจธรรมะทศธรรมะอย่างจริงๆได้อย่างไร เราก็ต้องเปลี่ยนทัศนคติของใช่ไหมทักษนคติของแต่ละคนถ้าไม่เปลี่ยนเราไม่หมดสมที่จะรู้แจ้งหินแจ้งพระธรรมอยากรู้อยากเห็นแต่ไม่เปลี่ยนจิตของเราไม่เปลี่ยนทักษนคติของเราถ้าไม่เปลี่ยน เราเป็นบุคคลที่ไม่ควรไม่ควรเพื่อจะรู้พระธรรมอย่างแท้จริงเราต้องทำเรามือทำอย่างแท้จริงวันหนึ่งอาตมาคิดว่าอาตมาสามารถแสดงธรรมะเทศนานโดยโด้วยภาษาไทยอ <laughs> ันใดแล้ว Because of this reason, I want to remind all of you to change your attitude yeah? along the way to seek for the Dharma. r a c t u a l m a Actually, I respect the foreigners, those who are practicing at Paro. He spent a lot of time. He spent two years, three years, four years, five years without going back home. It is very good. Yeah.